เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉันสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอ า, าพาธภิกษุทั้งหลายให้ท่านดื่มน้ำท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไร พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่ห้าสบเสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงให้ท่านดื่มน้ำท่านถึงแก่มรณะพาธภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบร้องตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ห้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงให้ท่านดื่มน้ํา แต่ท่านไม่ถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปการาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระอง์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัตปาราชิก แต่ต้องเอาบัตรกุญใจ